พรธรรมเทศนาแผนที่110ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าประชาบดีโคตมีต้นกำเนิดแห่งภิกษุณีเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้คณะจัทธาญาิโจมลูกหลานพระเนนได้ฟัง แต่ไว่เตรียมเตรียมไว้นะให้ฟังเทศอีกสักกันหนึ่งให้เตรียมเทปเอ็มพีสามไว้ด้วยหลวพ่อคงจะพูดไปชั่วงระยะหนึ่งแล้วก็คงจะลาลูกหลานไปหาพักให้ลูกหลานนั่งฟังเทศต่อไปอีกกันหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนาให้นั่งภาวนานานๆ น, านวันนี้นะเป็นวันวิสาขามบูชาให้ลูกหลานนั่ง บำเพ็ญประกอบคุณงามคามดีให้มากๆให้มันปักกวาดให้มันกว่าทุกวันวันนี้นะเรานั่งฟังเทศไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยและยังค่อยเลิกลากันถือว่าวันนี้เป็นวันปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเป็นวันวิสาขบูชาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ กล่าวคำถวายสักการะจากนั้นก็ได้หลวงพ่อเป็นผู้พานำเดินประทักษิณสามรอบที่ศาลาของเราแห่งนี้เราไม่เคยจะไม่ได้ทำทุกวันปีหนึ่งก็มีแต่วันมาฆบูชาและกับวันวิสาขบูชาที่พวกเราได้ประทักษิณหลอกศาลาพระพุทธปฏิมา ที่พวกเราได้กระทำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้เขาแสดงความเคารพสักการะวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันที่ได้พูดกันทั่วประเทศไทยทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง ของพระพุทธศาสนาเป็นวันอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เป็นวันดับขันปริณิภานของพระองค์ด้วยเพราะนั้นสามการได้มาจวบเหมาะคือวันเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าเป็นวันให้ว่าเป็นวันสาคัญยิง่งแต่สาหรับ ผู้ที่นับถือเรื่อมใสศรัทธาเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นวันสําคัญยิ่งผู้ไม่นับถือเรื่มใสก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเผยเผยยังดูถูกอีกต่างหากอใ น, นโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้พวกเราจะเชื่ออะไรกันเนี่ย เ, เราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพระธรรมของพระองค์พวกเรานํามาคิดมาพิจารณาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลดูสิมีเหตุผลมากมีเหตุผลทุกระดับจะเป็นระดับไหนระดับการเป็นอยู่ของออพี่น้องประชาชนแลการเป็นอยู่ของพระสงฆ์แลอวการเป็นอยู่ทุกระดับชั้นมีกฎกติกา ให้พวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็นได้นำมาประพุทธปฏิบัติถือเป็นแบบอย่างได้เป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบอย่างที่พระองค์ได้กล่าวไว้แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ต้องฟังเหตุผลไม่ใช่ดันทุลังคนที่ดันทุลังใครพูดยังไงไม่คิด ไตรตรองด้วยเหตุและผลและจัดเราจะจัดผลประเภทนั้นว่าอย่างไงถ้าไม่ว่าโง่นะถ้าว่าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอันไหนมีเหตุมีผลที่ พ, พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เรายอมรับว่า พ, พระพุทธเจ้าน่ะเฉลียวฉลาดจริงทําไมคิดได้ยังไงทําไมพระพุทธองค์จึงเอามาบอกกล่าวแนะนํา เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเรามากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วยอมรับว่าเป็นเฉลียวฉลาดจริงเป็นพระธรรมคําสอนที่บัญญัติทั้งจะพูดมากนะกับมีหลายเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงที่พวกเราจะต้องได้นํามาคิดในเมื่อมาคิดแล้วกับมีเหตุมีผลในเรื่องที่ได้ตรัสได้กล่าวไว้แล้วนั้นนี่แหละเราจรึงได้ ยอมน้อมรับว่าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขนาดเป็นเป็นทั้งครูของเทวดาด้วยเป็นครูงมนุษย์ทั้งหลายด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการที่พระองค์จะทําอะไรไม่ไถ่ไม่ใช่ว่าทำแบบอยากจะทําแล้วก็ทําไม่ใช่เรามาพิจารณาดูแล้วอ ย, อย่างพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวิยัย และกดระเบียบสำหรับพระภิกษุสงฆ์และก็ฝ่ายเกิดมาในโลกนี้ก็มีทั้งผู้หญิงทั้งชายใช่ไหมล่ะมีหญิงมีชายเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ดึกจำบันแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยบวชพระองค์เขาบวชแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาอยากปฏิบัติธรรมเขาก็อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกัน เขาอยาจะหาทางพ้นทุกข์เหมือนกันแล้วจะให้เขาอยู่ในระดับอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้อีกเหมือนกันทีแรกพระพุทธองค์วางขั้นเด็ดขาดเหมือนกันนะหลวงพ่อจะเล่าเล่าให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาควรจะพูดพูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและ ก, การเป็นมาของพระพุทธศาสนาบางประเด็น ที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับทราบอย่างที่ภิกษุณีอย่างเนี้ยความเป็นมาของภิกษุณีเป็นอย่างไรตะก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ไปได้ประกาศพระาศาสนาก็ได้แสดงธรรมาจากกระปวัตตะสูตรวันที่ ได้ตัดสรุ้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าวันที่วันวั น, วนอสารหะบูชานะเป็นวันที่วันก่อนที่เขาพรรษาเนี่ยที่ท่านไปโปรดปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระไตสรสาระคมครบทั้ง3คือพระสงฆ์อวิอุบัติตขึ้นในโลกแต่ท้่ทักพระองค์ก็ได้ประกระาศศาสนาไปเรื่อยๆ เออคล้ายๆกับว่าทั้งพระสงฆ์นี่ก็บวชเข้ามาในพุทธศาสนามากมายแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาก็มองตาผิดๆเหมือนกันเขาก็อยากจะปฏิบัติธรรมบางคนก็ได้สำเร็จพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหัน เ, เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ว่าในช่วงนั้นที่พระองค์ได้ประกาศพระธรรมคำสอน แต่แตอนนี้เมื่อพระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็ไปโปรดเวเนยสัสตร์มากมายจนถึงพระเจ้าจุดโธธนะพระบิดาก็ได้ยินทราบข่าวข่าวว่าพระลูกชายพระพุทธได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพนระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้ให ทหารเทหารทั้งหลายเป็นกราบพระราช น, นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ฉเฉด็จมากลุลงกับบิลพัฒน์พอทหารกลุ่มนี้ไปพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็บวชพอบวชเสร็จแล้วก็ได้สําเร็จมากสําเร็จผลก็ลืมลืมพระเจ้าจุโทธทนะพระเจ้าจธนะเกณฑ์ทหา ร, รไปเองพอไปบวชพอไปถึงได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบวช โอ้โหไม่รู้กี่ทหาไม่รู้กี่กองร้อยกองพันกองหมื่น ไ, ไปบวชกับพระพุทธเจ้าหมดจนถึงชุดหนึ่งชุดพระอุบาลี น, นี่มนเข้าไปพระอุบาลีกับเลยกาบทูลพระพุทธเจ้าท่านก็ได้งไปตามที่เขาราธนานิมนต์กลับไปกรุง ก, กบินลพัดแล้วก็ไปแสดงธรรม โปรดป ร, ร, ระยุพระปยรญาติโปรดพระบิดาและก็โปรดวงสาคณาญาติโอ้กว่าจะโปรดได้ไอ้ตัวนี้ก็น่าศึกษาเหมือนกันนะโปรดโปรดญาติโปรดญาติไม่ใช่ธรรมดานะไอ้เพราะเห็ุไรเพราะญาติเคยเห็นศิษฐธถมาแต่เล็กแต่น้อยใช่ไหมเคยเห็นมาเล่นฟูนมดมาจนพอแรงจะให้เคารพสักการะนี่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ ท่านนี้พระองค์เห็นมองเห็นโอ้เขามองเห็นเราเนี่ยเหมือนกับเป็นญาติญาติธรรมดาเนี่ยเราไม่ใช่ธรรมดาเราเป็นไม่ใช่ญาติของเขานะเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นอีกกฎกติกาหนึ่งเราไม่ใช่ญาติติโกโหติกาเหมือนเขาแต่ก่อนจากนั้นพระองค์จึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะ โปรดเหยีหอกขึ้นบนอากาศไม่ใช่ธรรมดานะโปรดยาตเน่จากนั้นพระองค์โปรดให้บรรดาให้ฝนบกกระพัดฝนสีแดงเหมือนน้ำคลั่งน้ำน้ำคั่งน้ำสีแดงตกมาในอากาศตกอย่างแรงด้วยถ้าใครอยากจะให้เปียกก็เปียกฝนนับก็แปลกเองเหมือนกัน ข้าไม่ใครจะข้าไม่ใครอยากไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกฝนพระพุทธเจ้าบรรดาลจนเป็นที่ยอมรับของพระปริยุราญาติทั้งหลายออบอกโอ้ไม่ใช่ธรรมดาสิท ธ, ธิฐานจากนั้นจึงสยบยอมน้อมรับจากนั้นพระองค์กัเทศโปรดพระปริยุราญาติวงศาคณะญาติผู้ที่เคารพนับถือเลื่อมใสของบวชปฏิบัติธรรม แต่นี้พนังโคตมีที่เป็นแม่เลี้ยงเมื่อพระเจ้าสุธโธทนะปรินิพานแล้วคือตายพระพุทธเจ้าปลุกระโคตมะตายแต่ว่าตามให้จริงสวรรคตแต่ว่าพระเจ้าสุธโธทนะในท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหัน์ได้พระบิดาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตั้งชื่อว่าปรินิพานพระเจ้าสุธโธทนะปรินิพาน ่ผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระาราหันแล้วต้องพูดอย่างเดียวก็คือปรินิพานถ้าว่ายังไม่ได้สำเร็จเป็นพระาราหันยังพูดคำนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าสวรรค์นกศ อ, อหรือมรณะภาพลักษณะอย่างนั้นแต่จะว่าปรินิพานไม่ได้แต่ี้เมื่อพระเจ้าสุโธชนะปรินิพานพระแม่ลิมะแม่เลี้ยงของพระไตรเจ้า นางโคตเม่เป็นน้องสาวของพระพิดาพระมารดาของพระพุทธเจ้านะเป็นน้องสาวแท้ๆของนางสิริมหามายาคือพระมารดาของพุทธเจ้าคือนางสิริมหามายาน้องสิริมหามายาในโคตมีในเมื่อ ขมันดาของพระพุทธเจ้าประสูนย์พระพุทธเจ้าได้เจดวันนางศรีมหามายาก็สวรนกฏคือตายก็ไปสู่สวรรค์ชั้นรุสิดเป็นเทวบุตรอยู่สัน้นรุชั้นรุสิท่าไม่ว่าท่านไม่ได้ว่าเทวดาแนละก็แปลกเหมือนกันนะท่านว่าท่านไปเป็นเทวบุตรอยู่สันส้นรุศิดชั้นชั้นรุศิดนางศรีมหามายาอย่างนั้นพระเจ้าจุโฑธนะ ก็เลยเอาน้องสาวของนางสิฎิมาห า, มายาย์คือโคตมีมาเป็นอัคมเหสีเพื่อดูแลลูกคือจิตถตายอยากนั้นนางโคตมีก็มาดูแลรักเกี่งกว่าลูกอีกนางโคตมีก็มีลูกอีกสองคนคือนันทกนุนางรูปนันธา ตอนี้ต่อมานางโคตตเตมีเมื่อพระพุทธองค์ไปโปรดพระประยุรญาต์อยู่ที่กรุงกระบินละพัดนางก็ขอบวชขอบวชแต่ไม่มีใครสมัยนั้นไม่มีใครกล้าที่จะขอขับพระพุทธเจ้าแต่นางขอบวชขอบวดเหมือนกรบภพริกษุกพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยโคเ ต, ตมี ในศาสนาของเราเราจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเราจะไม่อนุญาต Years, ให้ผู้หญิงบวชนางก็พยายามอีกขออีกครั้งที่สองพระพุทธเจ้าเราจะไม่ให้ผู้หญิงบวชขออีกครั้งที่สามเราจะไม่ให้ผู้หญิงบวชพระพุทธเจ้าตัดถึงสามครั้งห้ามผู้หญิงไม่ให้บวช ถ้าบวชพอมาแล้วจะเป็นอันตรายเป็นพิษภัยต่อพระพุทธาศาสนาพระพุทธศาสน า, า, าจะอายุสั้นลงมาเพราะมันเป็นภาระเป็นพันธะพลุงพลังเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้บวชจากนั้นนางโคตมีกัพระยาหยามที่อยากจะบวชจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จออกจากกรุงกัมพิญญพัฒน์ไปเมืองเวสาลี ไปเมืองพักเดินไปโปรดเวนยาสัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมโปรดใครต่อใครไปเรื่อยจนถึงเมืองเมืองเวสาลีแต่ได้นางโคตมีเนี่ยเมื่อพระองค์ห้ามครั้งเดียว น, ะนางโคตมีก็พาบริวารของตนเองเออให้ใครบุกลูกน้องบริวารของตัวเองเป็นนางกษัตริย์เป็นนางสนมด้วยนางกษัตริย์ด้วย ใครจะเสียสละนะอยากจะบวชนางเหล่านั้นเห็นนางโคจะมีมีความอุตสาหะวิทยะที่อยากจะบวชพวกนี้นกัเดินตามนะการเดินตามเดินทางไปจากกรุงกบิลพัทไปถึงเมืองเวสาลีเนยะไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนะนางทุแสดงความกรบรบในพระพุทธเจ้านะเดินทางไม่ได้ใส่รองเท้าเออใส่หวเครื่องประดับเครื่องเครื่องใช้ เชื้อผ้าเนี่ยมอมแมมไปหมดเหมือนกับไม่ใช่กษัตริย์แล้วเป็นคน อ, ะ, อะไรก็ไม่รู้หมดตอนี้พอเดินไปไปถึงเมืองเวสลีก็ไปเจอพระอานุนก็เห็นทราบข่าวว่านางโคตมีพระเม่แม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระอา น, นุ์ก็เนี่ยเป็นเชื้อพระวง์อยู่แล้วพระอา น, นุ์ก็ออกไปไปเห็น นางโคตะเมธเทนั้นโอ้เกิดความสลดสังเวชใจพระอนุนท์โทุตายนางมีความอุสาหาวิรยะจริงๆตัวมอมแมมไปหม ด, <k> หมดไม่เหมือนคำว่าเสื้อกระสัดกระสัตนั้นไม่มีเลยเพราะนางเดินตามมาก็ <k> บอกว่าีิฉันอยากจะบวชขอพระองค์จงโปรดให้ีิฉันบวชด้วยเทออสนะทำไมล่นะ พระแม่นะพระแม่นาะทำไมเพราะฉันนี่นะอยากจะบวชอยัางไงก็ได้ทีนี้พระ อ, อโนโนเก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าคะ่ะนางโคตมีเขาเดินมาด้วยเท้าเปล่าจากกรุงกบิลพัทจนถึงเมืองเวสาลีนะอยากจะบวชขอพระองค์จงโปรดให้เขาบวช ด, ด้วยเถิ อย่าเลยอ น, นุนเราห้ามมาแล้วไม่ให้บวดพระอนุนกราบทูลว่าถ้าว่าผู้หญิงบวชเนี่ยจะตัดมรรคผลนิพพานไหมพระเจ้าค่ะเขาจะได้พระโสดาพระสกตาคาพระอนาคาพระหรหันต์ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่าได้อ น, นุ์ไม่ได้มีไม่มีการกีดกัน้นไม่มีการห้ามมรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมถ้าปฏิบัติแล้วก็ มักผลนิพพานเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็โปรดให้นางโคตมีบวดด้วยเถินพระเจ้าข่าเพราะพระนางเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณจำรับพระองค์อย่างมากพระเจ้าข่า เ, เมื่ อ, อพระมารดาสวรรค์คตไปแล้วพระองค์ประสูตรได้เจ็ดวันก็นางโคตมีน่เป็นผู้ดูแลพระองค์มาโดยตลอด พระองค์เพราะนั้นนางความผูกพันในพระพุทธองค์ก็มากพระคุณของพระนางก็มากพระเจาา้าค่ะขอพระองค์จงโปรดให้นางบวช ด, ด้วยเถิดพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหาว่าผู้หญิงมาบวชในาศาสนาของเราจะเป็นการบั่นทอนพระพุทธศาสนาให้ต่ำลงไปอีกนะให้สั้นเข้าไปอีกนะอ น, นุนแต่เอาเถอะนะ แต่เราจะป้องกันเอาไว้ก่อนอป้องกันเอาไว้ถ้าหาวานางอยากจะบวชเป็นภิกษุณีนะอยากจะบวชอยากจะบวชเป็นพระนะเออต้องรักษาคุลุธรรม8ปดประการเออถ้าเขารับได้เราจะอนุญาตให้เขาบวชถ้าเขารับไม่ได้เราจะไม่ให้บวชเพราะจะทำให้เป็ น, ป, นปัญหาต่อไปภายภาคหน้า จากนั้นธรรมปาอนนุนก็กรกาบทูลเราคลุกทำแปดประการ น, นั้นมีอะไรหนอพระเจ้าข่าแต่หลวงพ่อจำไม่ได้ทั้งหมดพวกเราไปถ้าไปอ่านไปศึกษาดูก็ได้ น, นี่คือเนื้อหาสาระแล้วทีข้อที่เนึ่ก็หนึ่งภิกษุณีบวชในาศาสนาบวชแล้วนะพระภิกษุบวชในวันนั้นวันนี้ แต่ภิกษุณีบวชมาถึงร้อปีบวชมาร้อยพรรษาร้อยปีแต่ภิกษุบวชในวันนี้ภิกษุนีต้องแสดงความเคารพคารวะในภิกษุที่บวชในวันนั้นให้เคารพต่อภิกษุแสดงความเคารพไม่ให้ก้าวร้าวไม่ให้เย่อหยิ่งแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยบอกว่าไม่ให้ภิกษุนีสอนภิกษุ ว่ากล่าวตักเตือนสอนพิสุไม่ได้แต่พิกษุว่ากล่าวสอนพิกษุนีได้ใข้อสุดท้ายนะเพราะว่าพวกกีดกันคณะหนักอยู่ทุกรอบเราหลังดูดูแล้วคุณลุกทำแปดประการถามว่าพิกษุณีปฏิบัติไม่ได้แปลว่าขาดจากพิกสุณีเอ้ยทีนี้พอเสร็จแล้วพระอนรก็จําได้ทั้งหมดอฝากนั้นกับไปหานางพิกษุนีนะไปหานางโคตมี ที่เป็นพระแม่น้าของพระพุทธองค์บอกว่าพนางพระค์พระุทธองค์ตรัสอย่างนี้นะถ้าหากว่ารับครุธรรมแประการได้พระพุทองค์จึงอนุญาตให้บวชถ้าครุไม่ครุไม่ค ร, รุรักษาครุธรรม8ประการนี้ไม่ได้พระพุทธองค์จะไม่ให้บวชครุธรรม8ปประการนั้นมีดังนี้ พระอานุนกับรวบเป็นข้อเป็นข้อขอ อ, อ, อ, อให้ฟังนางโคตมีพิกโทนีก็ บ, บอกว่าท่านอานนที่ข้าพเจ้าที่ฉันได้ยินที่ท่านพูดให้ฟังทั้งหมดเหมือนกับกุมารีที่รักสวยงามามีดอกมะลิมีดอกมณฑ า, ามีดอกไม้ที่สวยงามประดับบนศีสษะ แล้วก็มีความปลื้มใจที่ว่าได้ตกแต่งออในศรีรษะของตัวเองในผมตัวเองว่าสวยงามนี่ก็เหมือนกันดิฉันได้ยิงทําคําสอนของ พ, พุทธเจ้าที่ว่าครุ ธ, ธรรม8ประการนั้นข้าพเจ้าน้อมรับยินดีทุกอย่างเหมือนกับได้ดอกไม้ เ, ออเทดิดเป็นพวงมาลัยบนศรีรษะของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมรับปุณหนะ จิตใจที่เป็นธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็เลยอนุญาตให้ภิกษุณีบวชเป็นคนแรกเีว่าบวชเป็นภิกษุณีแต่พอบวชเข้ามาแล้วก็มีบริวารเข้ามาบวชเข้ามานางภิกษุณีก็บวชลบวชกันต่อๆไปภิกษุพอบวชภิกษุแล้วก็บวชภิกษุณีแล้วก็นำสงฆ์ทั้งสองฝ่ายมาบวชเป็นสมมเนน สมนเนรีสิกขมานาพิกษุนีมีสามขั้นตอนนะพิกษุณีนี่น ะ, ะแต่ต่อมาอีกทีนี้ผู้หญิงนี่ทำกิจทำเรื่องราวขึ้นมาบ่อยมากเลยทีนี้พิกษุทั้งหลายนี่ทำผิดขึ้นมาเพราะเราจะพ ร, ะพระาะพุทธเจ้าก็บัญญัติเป็นข้อข้อ เมื่อทำผิดข้อหนึ่งกับบัญญัติประชุมสงเรียกประชุมสงเอานบัญญัติวินัยข้อที่หนึ่งเห็นข้อที่สองพระสงฆ์ทำผิดบัญญัติข้อที่สองจนสองอยี่สิบเจดข้อแล้วก็มากกว่านั้นอีกคือพินศินอภิสมาจาร์แต่เพ็กโทนีมีทั้งนนสามร้อยคนแสดงว่าผู้หญิงดืด้อกว่าผู้ชายสรุปแล้วนะพอพอทำผิดมาพระพุทธเจ้าบัญญัติ พอมันพอถือมาบรรยัตสินภิกษุณีถึงสามร้อยว่ากว่าจะสวดปฏิโมกข์จบโนหลวงพ่อเน้ตะกะนัดสองร้อยยี่สิ็ดนี่ก็ยังเหนื่อยพะแรงนะนั่งฟังนะภิกษุณีต้องสวด ถ, ถึงสามร้อยแสดงแสดงว่าไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะในครั้งพุทธการนะนี่แหละหลวงพ่อเ ล, เล่าให้ลูกหลานได้ฟังแต่เลยมีเรื่องขำอีกเรื่องหนึ่งบันเนี่ มิกษุนีเหมือนกันนะหลวงพ่ออ่านแล้วหลวงพ่อยังจำไม่เลือ ย, ย, ย, ย, ยังขากันททุกวันนีเนะมิกษุนีสองตายายบวชทั้งฝ่ายพระก็บวชเป็นพระนะอยู่ในวัดเชตตะวันแต่ฝ่ายผู้หญิงไดรกบวชเป็นพิกตุนีอยู่ในวัดแต่ที้พระหลวงตาเนี่ยก็ไปวินทบาทได้แล้ันไปฉันไปฉันที่สำนักมิคตุนี พิจูนีที่เป็นแม่บ้านเก่านะก่อนพอเห็นพระไปแล้วเขาก็มาเอาน้ำมาถวายเอาของใช้มาถวายใกลๆบอกของนี่นะของอยู่ของฉันอำนวยความสะดวกทางพูดง่ายๆอำนวยความสะดวกให้แต่พระองค์นี้ก็จุกจุ๊จุ๊จุ๊จจี้จนะ บอบ่ห้ทําอย่างนั้นไม่ถูกนะมันผิดวินัยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมันผิดวินัยไอ้พิกษุนีก็คงจะลําคาญที่เป็นแฟนเก่านีา่ยเฮ้ยสมัยก่อนไม่เห็นพูดอย่างนี้ทําไมมันจุ่งเย่อวุ่นวายพิกษุนีเลยโมโหอะไรเงี้ยกลังจะตักตักน้ํามาให้ล้างมือเอพอจะตักไม้หตักน้ํามันต้องตักกี่ไปไตใสมากอย่างวันนี้กัดว่าไปจุกจุกจูจี พิกตูนีก็เลยโมโหขึ้นมาเอาน้ําราดหัวพระเลยจะเลยหลงพ่อได้ยินหลวงพ่อจะขับเเอาหัวเอาน้ําราดหัวพระเสร็จแล้วยังเอาไม้เคาะไอ้ขันอีกเหมือนนเอาคําทาเคอบหัวพระจะห่างๆเนยเคาะให้คำเออเขียดเขียดเขี้ยวเออเขี่ยเขี้ยวเหมือนกันะ ทำไมมันจุงเหลืองวุ่นวายนะตะกอนทำาไมไม่พูดอย่างนี้เนี่ยเอพอพระพุทธเจ้าได้ยินอีกเถอะนี่เออพิกษดใดก็ตามไปฉันในบ้านในที่อ ย, อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้สำนักพิกษุนีเออต้องปาจิตติบัญญัติวินัยอีกหลวงหลวงพ่อได้ยินเนโอ้ เมรพะในครั้งนู้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเออนี่แหละอันนี้ก็คือพูดให้ฟังเป็นแนวแถวที่ว่าภิกษุณีเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่พระพุทธเจ้าอนุญาตภิกษุณีเข้ามาบวชคือฝ่ายผู้หญิงคือมาได้อย่างไรนี่แหละความเป็นมาของภิกษุหรือภิกษุณีของพระพุทธศาสนาแต่สรุปแล้วก็คือมรรคผลนิพพานไม่ได้กางกั้นผู้หญิงผู้ชาย ถ้าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติในพระธรรมคาสอนของพุทธะและก็พร้อมที่จะตัด ก, กิเลสราคะโทสะโมหะได้นางอย่างนางเขียมานางเขียมายเิกษุณีก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนหน้านี้นางพนางเขียมานี่เป็นคนรักสวยรักงาม แต่คนทั้งหลายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัหนิร่างกายว่าร่างกายเป็นของอสุภะปฏิกูลไม่สวยงามมีขี้ตามีขี้หูมีขี้จมูกขี้ลิ้นขี้กายขี้ไข่แล้วก็เป่อยเน่าตายในที่สุดปัญหาความสวยงามได้ที่ไหนแต่นางเขมาโอ้ด้จินคนพูดอย่างงั้นแปลว่าไม่เคารพเลยละ่ะ ท่นี้ก็นางเป็นอัคคเมเหสีของพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยเป็นเป็นพระโสดาบัตท่นี่แตเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลเอ๊ะทำไมนางเขามาที่เป็นอัคคมเหสีเนี่ยทำไมห่างเหินวัดถึงขนาดนี้มันไม่เป็นผลดีนะมันควรจะเข้าวัดวานะควรจะฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลภาวนาปฏิบัติ ตามทาคําสอนของพุท ธ, ธในท่านพูดถูกนะไม่เหตุผลเลยแต่กิเลสมาอยู่ในใจของเราเนี่ยดันทุลังนะมันไม่ถูกมัน่าจะใช่นะพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ให้หากวีมาสิไอนะพวกนักแต่งเพลงนะไอพวกจินตะกวีทั้งหลายนะเขาก็มาแต่งเพลงนะบอกว่า เ, เวลวันสวยงามอะไรบรรยายไปแล้วงั้นเะ มีพระสงฆ์เหลืองอาลามกว่ากันไปที่นางเขมาได้ยินทั้งที่ ว, วัดป่าเวรุวันเนะี่เคยไปมาพอแรงนะไปเคยไปแล้วแต่พวกกวีเขาแต่งขึ้นมาโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับสวรรค์ชั้นรุสิธิ์ทีนี้เราก็แต่งเป็นกวีเป็นกรอนมาแอบอยากจะไปดูวะ่ะมันสวยงามอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่พอพระเจ้าพิมพิสาร พัสวามีเนี่ยเป็นผู้ให้เขาแต่งแต่นี้นางก็เลยตกลงว่าจะไปแบบไปแบบไปแบบไม่เปิดเผยนะไปไปแบบร้มๆมองๆลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเขาว่ามันเป็นยังไงแต่นี้วันหนึ่งไปกับตอนตอนใกล้ค่ำไปกับบอลทิวานไปแอบแอบไปกับตะเบลีวานไปดูไปดูเฉยๆม แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้พระพุทธเจา้รจารู้ปณิสัยของนางเขมาลยไเอ๊ะนางเขมาจะมาฟังเทศน์วันนี้จากนั้นพระองค์จะมามาดูมาดูเหตุการณ์วันนี้พอมาเท่านั้นพระพุทธองค์บัน อ, อนิลมิตให้ผู้หญิงหญิงสาวคนหนึ่งนั่นมานั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าถือพัดถือวีพัดวีใกล้ว่า ถวายงานพัดพูดตามศัพนะว่าถวายงานพัดคือพระพุทองค์นั่งอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถือพัดพัด เ, เพื่อให้ความเย็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งด้วกัผู้หญิงสาวคนนี้ก็ถือพัดแต่พอนางเขามาไปเห็นเท่านั้นโอ้โหทำไมผู้หญิงสาวคนนี้ทาไมสวยขนาดนี้วะ พอมองตัวเองหน่เหมือนกับลิงเลยพอมองหญิงคนนั้นเหมือนกับเทวดาเนละเออก็ะต้าบต้องมองกับผู้หญิงคนนั้นผลสุดพระพุทธองค์ท่านก็เห็นว่านางเขมาในใส่ใจกับผู้หญิงรูปนี้แล้วท่าพระ พ, พุทธองค์ท่านก็นินลรมิตรทีแรกก็เป็นสาว อายุสิบ7กสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบไลไปเรื่อยถึงสา4สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพอหนถึงเก้าสิผมขาวหนังเหี่ยวเลยถือพัดก็งกงกงานงานกว่าจะพัดแต่ละครั้งเลยดดตดเราโดนดตดดนดนพ่ายอะไรเพราะคนแก่ใช่ไหมล่ะนางเคมาเลโอ้สมัยก่อนเขาก็สวยงามแต่บัดนี้ทำไมร่างกายเขาถึงเป็นขนาดนี้ รออ่างกายของคนนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นจริงอย่างนีออ้จะหาความสวยงามได้ที่ไหนร่างกายพนะ อ, อ, อจิตใจปรุปงปรงเท่านั้นนะพระพุทธองค์ก็แสดงให้ฟังเลยวนทะ่าเมาร่างกายในเต็มไปควงไปด้วยของอาดูนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะออแก่เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุด หาจีวราังถาวรไม่ได้จะหาความสวยงามได้จากที่ไหนร่างกายอันนี้นะมันเป็นกฎอนิจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เธอได้เห็นนั่นแหละนางก็ปรุงปล่อยวางได้สำเร็จเป็นพระารานหะันเอ อ, เ อ, อทั้งที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผู้หญิงสำเร็จเป็นพระาราหันจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารสเสด็จมาพบ พ, พระองค์บอกมหาป พ, พิษเขามาเนี่ยเขาได้สำเร็จเป็นพระหรหันแล้วนะ อถ้าจะว่าเขาจะอยู่ต่อไปนะคงไม่เหมาะถ้าจะให้เขาบวชชีวิตของชีวิตเขาจะจะอยู่ต่อไปอพระเจ้าพิมพิสารโอ้าอาจารยงนินขอให้ให้เขาบวชพระเจ้าค่านะให้เขาบวชนะพระเจ้าค่ า, นะาจากนั้นนางเขมาเลยไปบวชเป็นภิกษุณีนะอในาศาสนาของพุทธนะนี่แหละทุกคนทุกระดับ ที่เข้าไปบวช ใ, ในคราวนั้นครั้งนั้นกันางลูกสาวของนางโคตมีก็เหมือนกันนันทะนางรูปนันทานกันลักษณะเยี่ยง น, นี่ติดในความสวยงามจากนั้นพระองค์ก็ได้เทศให้ฟังให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแจากนั้นท่านก็ได้ภาวนาเนี่แหละสรุปแล้วก็คือในศาสนาของพุทธะเนี่ย ท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เห็นตามตามความเป็นจริงความเป็นจริงอย่างไรแต่เดี๋ยวเดีนี้มันหลงพวกเรามันหลงร่างกายนะเออถ้าเรามาพิจารณาตามเนื้อหาสารธรรมะคาสอนของพุทธะแล้วนะเพราะองค์นี่ท่านบอกว่าร่างกายสังขารอีกสักวันหนึ่งมันต้องแก่พอแก่เจ็จแล้วก็เจ็บไข้ในป่วยแล้วก็ถึงจุดจบของมันจะจะมี จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายได้ยังไงใจเนี่ยมันหลงหลงร่างกายพอหลงร่างกายแล้วก็หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงหลงความล่ำความรวยความสวยความงามอยากเชื่อว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นลักษณะอย่างั้นมันหลงเลยมันหลงคําว่าหลงคํำนี้มันมืดมนอนตการมันไม่รู้มันไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอย่างที่มันเป็นไปมันเปลี่ยนกับตรปัด เขาว่าเป็นอย่างตัวเองว่าเป็นอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับนี่แหละความหลงจุดนี้แหละมันน่ากลัวนะพวกเราท่านทั้งหลายสัทยาญาติโยมนะเพราะฉนั้นพวกเราต้องศึกษาต้องศึกษาต้องฟังให้หลายครั้งหลายๆครั้งตลอดหุ่นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะพิจารณาครั้งเดียวไม่ได้นะเหมือนกับเราคลาดนาเลยลงตามหาบัวท่านวว้คาดแล้วคาดอีกคาดแล้วกูนีจนมูลคาดมูลไถยแตก อละเลงละลายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาร่างกายเกษาผมโลมาขนนักขานเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกมา้าหม้อใจตับปังผืดไตปลอดใจใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอย่างที่พวกเราได้สาธยายเมื่อกี้เนี่ยร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือมันไม่ใช่มันเป็นใช่ไหมเป็น ถ้าตายไปแล้วชั่มลออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเออเราตายเป็นไหมใช่ตายเป็นเมื่อตายไปแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าชั่มลออกมาแล้วใช่อันไหนคือร่างกายอันไหนคือความสวยงามตรงสวยงามที่ตรงไหนใจขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนอื่นจะเป็นของเราได้อยู่หลือใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพรนะพุทธเจ้าในท่านให้ดูที่ใจนะท่านี่ ใจมันไปนหลงกายพอไปหลงกายไปหลงที่อื่นไปหมดพร้นในสุดท่านจะให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นที่มันปล่อยวางกระทั้งใจใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันในเมื่อปล่อยวางเสร็จแล้วนะั้นไม่ยึดมั่นถือมันนะ่นไอสิ่งที่เป็นไอสิ่งที่เป็นธรรมไอสิ่งที่เป็นที่เราควรรู้แจ้งเห็นจริงมันเกิดขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่รู้นะ เหมือนกับเราอ่านหนังสือตะกอนเราไม่รู้กไก่ A B C D เราไม่ได้เรียนหนังสือนะ เ, เราก็ไม่รู้แต่พอเรารู้ขึ้นมาหนึ่งสองสาม A B C D กอไก่ขอไข่ความตัวที่ไม่รู้มันหายไปไหนตัวที่รู้มันรู้ขึ้นมาอย่างไงตัวตัวไม่รู้มันหายไปไหนมันก็ไปหายไปตรงที่มันตรงมันรู้ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน การรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมรู้แจ้งในในธรรมรู้จริงในธรรมไอตัวที่ไม่รู้มันก็หายไปไอตัวที่รู้มันก็รู้แจ้งขึ้นมาพอรู้แจ้งขึ้นมามันก็ไม่หลงเพราะมันไม่หลงความหลงที่มันรู้ตัวอวิชชาตัวหลงงวมงายมัวเมาแต่มันหายอยู่นั่นมันก็หายไปจุดที่มันรู้ขึ้นมานั่นแหละเนยก็เหมือนกันะออหลักธรรมซ้ำอนที่ รู้แจ้งเห็นจริงนะมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมันแล้วปล่อยวางเหมือนกับเรารู้ทุกตู้หนังสือแต่ก่อนไม่รู้มันหายไปไหนไอตัวที่มันไม่รู้น่ะมันอยู่มันอยู่ที่ไหนมันทําไมไม่รู้เมื่อมันรู้แล้วมันหายไปไหนจุดนั้นนี่แหละอความรู้กับความไม่รู้มันอยู่ในจุดเดียวกันสรุปแล้ว ร้าขอให้พวกเราทัานทั้งหลายนะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้นั่งภาวนาภาวนาให้กําหนดลมหายใจเข้าออกนะเป็นหลักตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเราที่หลวงพ่อได้พูดได้สอนอย่าตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นเลยนะอย่าไปให้หลอดแหลห่ถ้าหลอแหล่โลกเล็กเลี้ยวไหลล้มเลิกมันเป็นไปได้ทั้งหมดนนะถ้าเราตั้งจิตให้ษฐานเอาเถอะ ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ทําพเจ้าภาวนาที่นี่ข้าพเจ้าให้มีสติสัมปชัญญะอให้อยู่กับสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุดจะไม่ให้มันเผล อ, อถ้าภาวนาอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดิ น, นยังคงอยู่ที่ขาก้าวเดินขาขาข า, ขาวาพุทธขาซ้ายโงเวลาปัดกวาดก็เวียงสาย เ, เวียงซ้ายพุทเวียงขวาธง เราจะก้าวไปที่ไหนรู้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุดนี่แหละถ้าพยายามอยู่นะแปลว่าเป็นผู้มีความเพีเพยรโดยติดต่อโดยสม่ําเสมอโดยสืบเนื่องอเอเ อ, เ, อเป็นพระพรมาภาวนานเนี่ยพระพรมภาวนาแล้วยนึกคิดถึงไหนก็ไม่รูอ้ออกไปทางนอกนอกดูกนอกทางทะเลถลยไปไหนก็ไม่รู้เออ คนในสูตรคนนะั้นจะหาความสงบได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้มาอยู่วัดก็คิดถึงบ้านพอมาไปอยู่บ้านก็คิดถึงวัดอพอมาอยู่ที่วัดคนนะั้นเหมือนกับมองโลกเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้านะ่อพอไปอยู่ทางโลกมากกวนั้นนะมองมหาวัดก็เหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าอีกจิตใจหลอกตอนเองอยู่ตลอดเวลาลียงหลอกเจ้าหลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไป สรุปแล้วก็คือความหลงมันหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นน่าหลุดหลานเมื่อเรารู้แล้วท่นเอเราก็ต้องสังเกตดูนะมันจะหลอกจริงๆหรือว่าหลอกเราอ่ะเพราะมันหลอกเราเนี่ยเราก็ต้องหลอกมันอีกนะเอามันจริงจังเลยเอนั่นแหละเราจะได้รู้จริงเห็นจริงมันจะหลอกเราไม่ได้ ทําไม่งั้นเรหลอกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติไม่มีที่สิ้นสุดนะกิเลสหลอกเรานะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดยาวนเนี่ยก็เลยยาวพเพราะโลเล่านิทานมันก็เลยยาวนะเอาตอนนี้ไปเปิดเอ็มพสานะพอเรานั่งสมาธินะที่นี่นะเอานั่งอพอ nang ขาขวาทับขาซ้ายเหมือนพระประธานนะนะั่นพอนั่งเสร็จแล้วก่อนปนมมือขึ้นละวางอก ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นกระแผ่เมตตาแถมท้ายอีกข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกดวงวิญญาณด้วยเทิน ทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทินจากนั้นเอามือลงทําไมจึงแผลเมตตาเพราะคนที่ไม่มีเมตตากันไปโกรธโมโหผูพกพยาบาทอาฆาตเขาอยู่มันชุนอยู่ในใจจะภาวนามันจิตใจไม่สงบนะเพราะนั้นจงปล่อยวางเอาในช่วงนี้ข้าพเจ้าปล่อยวางไม่ถือโทษโขดเคื่องกับใครทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดทําใจให้นิ่งทําใจให้เป็นกลางจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธ หายใจออกบริกรรมโธพุทโธพุทโธพุทโธทำมันทะเลถลายมันยังไม่อยู่พุธโธพุธโธพุธโธพุธโธให้ทีมันยังไม่อยู่อีกให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองมันออกไปช่วงไหนวะมันออกไปช่วงไหนมันจะไม่ถึงยี่สิบประกับมานับหนึ่งไหมอีกอมันออกให้ออกไปยังไงเวลาออกนะเวลาหายใจเข้าเป็น เลขขี้หาจะออกเป็นเลขคู่หนึ่งขี้สองคู่สามขี้สีคู่ห้าขี่หกคู่นะั่นอ่ามันเป็นคี่คู่คี้คู่นะอ่าทีนี้เราเราเมื่อเราภาวนาอย่างเนีน้เราจะรู้ได้พอมันจะออกไปเนะี่ยมันจะเบอ ร, เบอร์เบอร์สักหน่อยใชนะมันจะคู่ขี่นะทีนี้ไม่ใช่คี่คู่นะทีนี้มันกลับกันพอกลับกันเอาไหมตั้งต้นไหมอีก ตั้งติให้ดีขึ้นอีกเ้ยอย่าไปอย่าไปฉลาดใจนะโอ้ข่าเนี่ยภาวนาจะไม่ถึงสิบยี่สิบไปมันหลงไปแล้วนี่ยต่อไปนข่าเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายๆนะนี่ลักษณะอย่างนี้นะเราต้องคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราต้องตั้งติตให้เข้มแข็งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้เาขนับหนึ่งหายใจออกนับสองใหม่ถ้านับถึงร้อยนะ สักสองสามสีห้าครั้งไม่เผล อ, อ, อไปว่าใช้ได้แล้วก็มาภาวนาพุทโทต่อวันกำหนดพุทธโทพุทโทพุทโทพุทธโท น, นี่แหละวิธีการภาวนานะพวกเราท่านทั้งหลายนะลูกหลานนะสัทยา ญ, ญาิโยมพระเนนะเอาเปิด m อ3มสท่านี้นั่งภาวนาแล้วนะท่นะ